บุกทูเจ็ดเย็ดูหมายเลขอังเกลูดิฉันนับเนูนละกก็ไปดูตานุหนึ่งสองสามบวกติเรนดูมูดู ดิฉันนับถึงสามเนนุมูดวรกูเล็กกระปดตานุดิฉันนับต่อไปนนด่านตรวาตาเล็กกระด้านุสี่ห้าหกนาลกูไอด้าารุเจ็ดแปดกก้า ยืดูยนม่ดีตมม่ดีดิฉันนับเนนูเล็กกะปิดตานุคุณนับนูวูเล็กกะเปิดตุข่านับอัตนูเล็กกะปิดตารุหนึ่งที่หนึ่งวกกัิทีโมเดอรทดีสอง ที่สองเรนดูรนดีสามที่สามมูดูมูดอดีสี่ที่สี่นัลกูนลกอดีห้าที่ห้าอายดูอาดีหกที่หก อารวดีเจ็ดที่เจ็ดเดูเอดวดีแปดที่แปดเยนมดีเย็นมิดวดีเก้าที่เก้าตมมดีตมวดี